ท่านเสริญสรรเสริญกริยาณมิตรมากกว่ากริยามิตรหมายความอาศัยคนชํานาญทางมาพาเราไปเนี่ยง่ายกว่าอ่านพื้นที่แผนที่เยอะเลยเนะดังนั้นเองค ร, รับแล้วกว่าเราทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยเรากําลังเดินทางนการเดินทางมันก็ถูกบ้างผิดบ้างหลงบ้างรู้บ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราไปถึงเป้าหมายเราก็จะมาเรียบเรียงใหม่ ว่าที่เราเดินมาอาจจะสเปะสปะโค้งบางอ้อมบงังแต่พอเราเดินไปเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าจะไปอย่างไรถึงจะถูกเป้าหมายแล้วก็มีทางหาทางลัดสั้นได้ด้วยเนะมื่อชํานาญทางแล้วเนี่ยพอเรารู้ทิศรู้ทางแล้วก็พอจะมองออกควรจะไปทางไหนฉันฉ้นได้ก็ดีเรื่องของนำ ม, มาทำก็เช่นเดียวกันการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของมันเนี่ย มันก็จะต้องศึกษาปริยัตเพียงเป็นแผนที่บอกบางส่วนแต่ถ้าหากว่าเรามีกรเรณมิตรผู้รู้จริงมานำเรามันก็ง่ายขึ้นเยอะนะเหมือนกับคนที่เขาขับรถเป็นแต่มันก็เป็นผลเสียหนึ่งอย่างหนึง่งมานั่งรถคนที่เขาขับรถเป็นไปที่นึ่งที่นี่นะแต่ว่าหนึ่งตนเองพารถไปเองว่างหนึ่งไปไม่เป็นนะ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 เลยโอ้ให้เต็มมูเลยก็แสดงว่ายังยังไม่เคยเข้าที่ไหนมาก่อนเราจะรู้ว่าเราไปที่ไหนได้ผลไม่ได้ผลดูตรงที่ว่าเรากลับบ้านแเรานำไปใช้ถูกไหมโต๊ะอ่าเอาเงินหมดใช่ไหมเราไม่ไม่ตอนได้ไปหาเงินมาใหม่ๆเราไปใช้เงินสนุกพอเงินหมดแล้วทีนี้ไปไม่เป็นเลยนะทาบุญหมดเหมือนกันนะ เราการที่บางคนไปหาเงินมาแล้วก็ปรากฏว่าเขาเขากลับเอาเงินนั้นไปเป็นต้นทุนใช่ไหมเอาไปลงทุนแล้วกลับว่าไปหาเงินมาครั้งเดียวเขาก็เป็นอยู่เป็นเศรษฐีมีกินได้แต่ประเภทที่ว่าเอาไปต่อทุนไม่เป็นก็หามาเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปเป็นอย่างนั้นนะฝึกค้าฝึกขายว่ามีเคยมีกันเลยไม่เคยมี มีแต่คนที่จะพาให้หลงทางเนี่ย <c oughs> แต่คือหมายถึงว่าตัวที่เราตามไปดูสภาวะตามคําชี้นำเนี่ยเราเห็นสัมผัสสภาวะนั้นได้ในตัวเราเองเ น, นะอันนั้นสําคัญเมื่อเราเห็นสภาวะปรากฏในตัวเราเองเมื่อมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราสามารถหาคําตอบได้เพราะมันมีอยู่แล้วคําตอบในตัวเราเนี่นะแต่ที่แล้วแล้วมาเราอ่านไปไม่ถึงยังไง นังสือเล่มเนี้ที่เราอ่านกาอ่านใจเนี่ยเมื่อก่อนอ่านยังไม่ทั่วแต่ที่ประโยชน์ของการยมิตก็คือแนะนําให้เราอ่านหนังสือให้ทั่วเพราะข้อสอบมันจะมักจะออกตรงไหนนี่นะเขาก็แนะไปดูตรงนั้นบ่อย <c oughs> บยเมื่อไหร่สงสัยขึ้นมา <c oughs> พรากมันก็ให้คำตอบเลยนะ <c oughs> เ อ, อนั่นน่ะเลยอันนั้นคือแนะให้อ่านตัวเองอ่านตัวเองออกหลักสูตรของพทเรียนนะอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วสามารถปลูก สิ่งที่เราต้องการได้ปู้ฝังคุณธรรมที่เราต้องการได้นั่นคือหลักการพุทธิยนันถ้าหากว่าไปรูปแบบนี้ถ้าเราอ่านโดย อ, ออกบอกเออใช้ตัวเองเป็นก็หมายควาว่านั้นถูกต้องตามหลั ก, กของท่านหละคือเราก็ได้คําตอบใช่ไหมเราหาคําตอบมาขึ้นนั่นก็ไม่สงสัยนะนนนยอืมก็ดีแล้วแต่ว่ามันก็ได้รูปนามชัดเจนขึ้นอีก ข, ขั้นหนึ่งนะวันนี้อ้าออาก็มีนะเพราะคน คนที่เกิดปีติใช่ไหมเขาว่าสัมผัสรูปนามแล้วเพราะว่าตัวปีตินั่นเองตัวเป็นสัญญาณบอกเหมือนกระเด็กที่เกิดใหม่เ่ะมันจะร้องไห้ก่อนใช่ไหมไม่ยูนนะถ้าเด็กเกิดมาคนไหนเกิดมาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่ายั ง, ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่นะ <c oughs> เป็นเสี่ยงตายอยู่คุณพิษ วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยปรากฏในคลองยานด้วยนะวันนี้มองไม่เห็นคุณเลยวันนี้เป็นไงบ้างว่ามันเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่ความจริงเ้าสรุปในสติประธานทุกบทเนี่ยที่เราสวด น, น ะ, ะเห็นอะไรอิติอช查ตตังว่าธรรมธรรมานุปสัสสีวิหารติใช่ไหมว่าเห็นด้วยอาการนี้เรามีปกติเห็นธรรม ในทำทั้งภายในภายนอกอทั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่เราสวดวิเคนะสมุทัยะเกิดขึ้นวยะดับไปและสมุทัยวยะทั้งเกิดขึ้นและดับไปเห็นเพราะว่าเกิดว่าดับตลอดคือหมายควาเห็นมันความคิดมาก็เห็นมันดับไปความคิดมาใหม่ก็ดับไปเห็นการเกิดการดับแบบนี้น ะ, ะ, ะก็เห็นทั้งกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่อย่างเนี่ย ม, มันเกิด มาอย่างไรก็เห็นมันดับไปขึ้นมาก็ผ่านไปมาก็ผ่านไปแต่ว่ดับไปแล้วก็ในนั้นท่านบอกว่าด้วยอาการอย่างนี้นะอิติอาชัดติอธิกโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติสติที่มีอยู่เป็นที่มีอยู่ในเพียงเพื่อเป็นที่ตั้งของกา ร, ระลึกรู้ ยาณมัตยะเพียงเพื่อรู้เพื奇奇่อให้เกิดต vale ัวรู้ที่เราเราเห็นการเกิดดับเลยนะเพื่อเห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงเพื่อมันจะเกิดตัวรู้ยาณมัตยะเพียงเพื่อรู้เท่านั้นนะสัตวว่าเข้าไปรู้การเกิดคือไม่ต้องไปจัดการอะไรสัตวว่รู้ปฏิสติมัตยะเพียงเพื่ออาศัยในลึกอาศัยตัวที่มันกําลังเกิดกําลังดับกําลังเกิดเช่นหนักเกิดขึ้นพอเปลี่ยนปั๊บหนักก็ดับไปเบาเกิดขึ้นหนัก หายไปคือนั่งไปนานๆเบาหายไปหนักเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เฝ้าดูไปอย่างนี้เรียกว่าเพียงเพื่ออาศัยระลึกเห็นการเกิดดับปฏิสติมัตตยน่าจะกินจิโลเกอุปทิจนะน่าจะกินจิโลเกอุปทิยติเพื่อที่จะไม่ด้วยการทํานี้ด้วยตันหาลัทธิทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ตันหาลัทธิตั้งอยู่ไม่ได้ หมายความความอยากความยึดในในตัวตนเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราเห็นว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันเกิดมากระดับตลอดเวลาเราเห็นหน่วยละเอียดคือการเกิดดับของเวทนาเกิดกด้นในของจิตนะพอเห็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็คอยเห็นคอยดูคอยระลึกรู้น่าจะกจิจิโลเกอุปทิยติอืมแล้วออะไร ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยที่ตัญหาและทิทิทิทิททททอาศัยไม่ได้นะอะไรอะไรในโลกนี้เธอไม่ยึดมั่นอะไรในโลกนี้นะจะา ก, กินจิโดเก อ, อุปธิญติไม่ยึดในโลกนี้ไม่ยึดในทนี่มันเกิดมันดับมันไม่มีอะไรจะยึดละมันเป็นเพราะว่าเกิดดับตลอดเวลาไอเราเป็นอยู่นี่ก็เป็นภาวะที่เกิดดับตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่ามันเกิดดับค่อนข้างความถี่สูงนะเหมือนไฟนิออนไฟเนี้ยความจริงมันมี บวกลบเกิดดับตลอเวลาใช่ไหมโอ้ห้าสิบครั้งต่อวิเลยอ่ะต่อวิห้าาจไปันก็ดูเหมือนเที่ยงไปเลยเนาะดูว่ามันเฉยดูมันดูเหมือนเหมือนเหมือนถาวรแต่เขาคิมันเกิดดับตลอเวลาใช่ไหมอืห้าสิบวิต่อห้าสิบครั้งต่อวิแต่ว่าจิตไวกว่านั้นอีกแต่ที่อเมริกาหสครับหกสิบต่อวิโอเห็นม นี่ขนาดที่เป็นรูปธรรมนะ่ตาไม่เห็นเอา น, นำมรทำจะขนาดไหนแต่ท่านเลยขยายออกมาเป็นสี่สี่วงวงล้อไงวงล้อในสุดเหมือนเหมือนตัวที่มันหมุนติ้วเลยนะวงที่สองออกมาจิตวงที่สามออกมาเวทนาวงที่สี่ออกากายกายเนี่มายกมือทันใช่ไหมยัไงไงก็ดูทันอยู่แล้วใช่ไหม แต่พอไปดูจิตทิแป๊บบุรุเจ้าังเสียช่ารัดดมือเดียวไวขนาดรัดด้วยมือเดียวมันไวกว่าซกันอีกอันนี้คือภาวะที่ท่านเปรียบเทียบนะไวกว่าแสไวกว่านะไวกว่าแสเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยไปสาคัญมั่นหมายสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับนีน้ว่าเป็นเราเพราะมันปัญญาเราไม่สามารถไปมองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเขาเรียกว่าคณะสัญญาไปบัง อนตุต่าแล้วก็จีลสัญญาไปบางอ น, นิจจังเราเห็นว่าเที่ยงเราก็เลยไปสําคัญว่าอันนี้เป็นเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายรักชังเกิดขึ้นละตัวนี้พ่อเราไม่เห็นความเป็นจริงพอเราจเจริญสติมากเข้ามาเข้ายานปัญญาเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงสามารถเห็นการเกิดดับทีนี้เราเริ่มเห็นการเกิดดับของจิตได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวมันคิดหายไปเดี๋ยวมันมาเนี่ยมันเกิดมันดับห ย, ยาบหยาบอย่างนี้ก่อนอันนี้วงที่เราเห็นได้ เวทานานั่งไปสักพักมันถึงจะปวดให้เห็นใช่ไหมนั่งลุกไปสักพักมันถึจะเบาให้เห็นเนี่ยการเกิดดับก็หยากลงนั่งอย่งนี้ทั้งนานเราถึงจะลูกไปเราก็เห็นแต่พอไปจิตอีกอะทุกคนนั่งอยู่เนี่ยถามว่าอะดามากลังคิดอะไรเนี่ยรู้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ยมันก็ละเอียดลงไปอีกแล้วเรื่องแต่มาคิดคือเรื่องไหนเขายิ่งละเอียดเข้าไปอีกนะนคือ สิ่งพุทธิจัตัดสั้นอย่างน้อยสี่วงจรวงจรที่ลึกที่สุดคืออารมณ์วงจรที่สองคือจิตวงจรที่สามคือเวทนาเย็นแล้วแข็งวงจรที่สี่คือกายนะมันมีสี่ตัวจักเพราะงี้เขาเขาจะใช้มิจักเวสัตต์เอามาใช้ก็อยากให้มันหมุนช้าก็ทุดอะไรใช่ไหมทุดออกมาให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ช้าแต่ตัวในเนี่ยหมุนติ้วเลยใช่ไหมตัวข้างนอกก็หมุนเห็นเห็นเนอยอะ อันนั้นคือนักวิยาศาสตร์เอามาขยายใชย้คุณสมจิตส่วนนวงเป็นไงบ้างวันนี้โอ้หลวงพ่อก็นึกว่าคุณนิตยาเนี่ยซื่อสมจิตอ่ะคุณเข้ามานั่งใกล้ๆหน่อยสิเอาหนาวเอาแสดงว่าแพ้เป็นยังไงบ้างาคุณสมจิตวันนี้ เอาอยัางง่วงอยู่เลยโอ้แสดงว่าคุณเคยทำสมถะมาพอสมควรเนาะมันยังทำกันขนาดนี้ยัง ง, ง่วงอยู่แสดงว่ า, ามันยังฝังลึกอยู่นะเนี่ยแล้วแก้ไขได้ออกทันทีไม่รือว่าได้บางที่บอกตอนเช้าว่ามาจากตัวเพลินใช่หเพลินในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตัวนั้นมันถึงมาได้ถ้าไม่เพลินตัวนั้นมาไม่ได้มันไม่มีที่มา ที่ตัวเพลินเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการติดสบายชอบความสบายชอบความสงบมันก็เพลินแน่นั้นพอเพลินปั๊บตัวนี้ก็มาเลยนิวรณ์ทั้งทุกตัวถ้าไม่มีตัวเพลินแล้วมันไม่มีไม่มีเชื้อที่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าว่าจัดการมันก็ไปดูว่าทําไปเนี่ยแต่ประการสําคัญเราดูตัวเพลินออกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปติดใช่ไหมไปชอบอะ่ะ ชอบอาการนี้แล้วก็ซ้ำอยู่นะเดี๋ย ว, วได้ได้ได้เพลินละอันนี้คือจุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คิดว่าจะไม่มีมงนะ่วงเนาะแต่ว่าแต่ละคืนหลับสนิทไหมนี่คือปัญหาที่สองเกี่อเพลินแล้วก็คื อ, อการพรักผ่อนอาจจะไม่สนิทพอเนาะสุขภาพโอเคไหมอ่า สายสามสีหาสาเหตุที่หลวงพ่อว่าว่ามาวันนั้นมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดง่วงได้ง่ายและยืดเยื้อเราไปตัดจัดการสาเหตุทั้งมันคุณละไมโยวนละหมอโยมตานะี่เอาน้ำสกุลอีกอันหนึ่งไม่ใ่ไม่ใช่หรอผมนี้อุตรานี่นะอ๋อไม่ใช่อุตรดิตนะหลวอเติมให้อีกหน่อย <c oughs> อุตรดิต <c oughs> เป็นยังไงบ้างวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิม เอเพราะไปรู้ช้ามันถึงดับช้าใช่ไเพราะตัวรู้เป็นตัวไอตัวนี่ว่าเป็นตัวเกิดใช่ไหมถ้าตัวรู้เป็นตัวดับตัวดับเกิดช้าตัวเกิดมันก็เลยอยู่ยาวถ้าตัวดับคือตัวรู้มาไวตัวเกิดมันก็จะถูกดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันมันเกิดเนี่ยตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวปัญหาเกิดมากกว่าดับ แต่หลักของมันคือเกิดดับให้สมดุลใช่มั้ยมันจะจะเป็นตัวรู้ที่สมดุรณเหมือนกับข้บอบวกโก้อลบใช่มั้ยต้องสมดุลถ้าสมมุติว่าบวกมาโกโกว่าลบเนี่กยกระแสไฟไปไงคุณผู้ชมคืออย่างนี้คะบวกลบเนี่ยนะเจ้าของทฤสฎีมีคอนดิชันอยู่ด้วย <c oughs> จริงๆคืลอลบครับบวกเขาไม่ได้ไปเลยลบไป อ, อย่างง่ายๆนะรู้สายไฟ จากนี่เดินมาตรงนี้แล้วย้ายไปนะแต่ตรงนี้ยังไม่สับสวิตนะอหรือสับสวิตแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรนะเขาไม่ได้ไปนะเหรอเขาไวมากถัาไปแต่บมาเลยนะอ๋อแต่ว่าต้องมีที่ผ่านไวมากเลยแต่ถ้าไม่มีอะไรแต่มมันดูไม่มีไม่มีไม่เกิดไม่ใช่กว่าอย่างนั้นเพราะมันเพราะมันไม่ไม่มีดับเกิดอะไรไม่มีถ้าไม่มีมันไม่ไป แค่นั้นดิสายไปแล้วนะอแต่ถ้าคนไม่ไปถูกไม่ไปอะไรเขาไม่ไปนะตอนนั้นมันก็ยังอยู่แต่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่จ้องอยู่ตรงนี้นะว่ไม่จ่ายมันมีอยู่แล้วนั่นหมาเความว่าการเกิดหรือการดับมีอยู่ก่อนภาวะที่ไฟมีเนี่ยเป็นภาวะการเกิดหรือการดับมีอยู่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 จริงอวิชชาเนี่ยถ้าจะว่าไปตัวที่เข้าไปแตะแต่คนที่เข้าไปแตะแตะด้วยความรู้เนี่ยมันจะไม่ดูดใช่ไหมนานเห็นไหมไม่ใช่ว่าไปแตะแล้วมันจะดูดเสมอไปก็ไม่ใช่นั่นหมายว่าตัวอวิชชาถ้าผู้รู้เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาก็ทําอะไรเขาไม่ได้ไไดอ่า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 อ๋อคิ ด, อดดีหรือไม่ดมีมันแก้ไม่ได้คิดเยอะไหมเพาว่าตัวรู้น้อยไปใช่ไมครับพอเรามารู้สึกตัวให้ชัดมันก็เลยชัทั้งคิดชัดทั้งรู้สึกตัวอ๋อองอย่างเลยเออเลยแต่ความจริงแล้วก็เห็นคุณขยันทาอยู่นะแต่การที่ความคิดปรากฏชัดนั้นมันถูกแล้วเพราะตามบติมันคิดอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏชัดเราก็นึกว่าไม่คิดอย่างไง ความคิดปรากฏชัดหมายถึงว่าตัวนั้นมันจะไม่หลบลงไปเป็นตัวจิตแต่สํานึกเป็นจิตรู้สานึกเราถึงเห็นมันชัดตัมบุติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นมันไม่ชัดเพราะมันหลบไปไ ป, ปจิตแต่สํานึกเหมือนของอยู่ใ้ถุนของเราเนี่ยเราไม่รู้มันมีอยู่แต่ตอนนี้เราเอายกของใ้ถุนขึ้นมาไว้บนบ้านมันก็เห็นชัดกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดี เอาเอาแสดงว่าเราเอามาตั้งไว้บนบ้านนานเกินไป <laughs> บ้านเลยลกหมดเลยเป็นคนหลับที่ไม่เดิเเคุณรู้ไหมว่าเอาของได้ถุนมาใช้บนบ้านแล้วคุณไม่เก็บลงไปไว้ที่เดิมเนี่ยบ้านมันถึงล ก, กใช่ไหม <laughs> เหมือนกันคุณเอาความคิดให้มันขึ้นมาอยู่ในใจแล้วคุณไม่ไม่เก็บไม่สลัดมันทิ้งไม่เก็บลงไปมันเดิมมันก็เลยยกอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเอา เมื่อก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารพิ่งรู้ว่ามันมีความคิดเยอะใช่ไหมแต่เมื่อก่อนมันคิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมคิดเพราะเราไปเป็นความคิดนี่แต่เดี๋ยวนี้เราไม่เป็นมันนะเพราะนั้นเป็นสัญญาณว่าเมื่อเรารู้ว่ามันเยอะเราก็จะทําให้มันน้อยได้อย่างไรเนี่ยรู้ละเมื่อก่อนเราไม่รู้จะทำให้มันน้อยลงได้ไงเพราะเราไม่เห็นมันใช่ไหม <c oughs> แทนที่จะเป็นสัญญาณที่ไม่ีกลับเป็นสัญญาณที่ดีแต่คงจะต้องใช้เวลานอนหน่อของมันเยอะเนาะ เวลาย้ายของจากบนบ้านมาอยู่ได้ถุนบ้านนะจากจิตรู้สมัมจิติตใต้สานึกนะใ ห, ให้ให้มาไปจะรู้สํานึกเอาออกมาเอาให้มันรู้ให้หมดทุกอย่างนะแต่พอมีตัวรู้อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนคุณก็ไม่รู้วไอ้ไดถุนบ้านคุณมีอะไรบ้างแต่วันนี้คุณเริ่มมีไฟฉายใช่ไหมโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้หยิบขึ้นมาใหญ่เลยทีนี้ขึ้นมาไว้บนบ้านบนบ้านก็เลยลบเพราะบางอย่างไม่จําเป็นต้องคิดคุณก็หยิบ ม, มาคิดใช่ไหมอ่า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 ยังเปรียมไปไงดีไหมวันนี้เพราะความจริงตามตามรูปนามได้ทันมันก็เห็นความคิดผ่านไปได้เร็วนะเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปนามนี่สําคัญมัยิ่งจบที่การตามดูหนักดูเบาดูคือเราดูทันไหนทันก็ให้ให้ดูคนนั้นให้ชัดๆเพราะเราบอกแล้วว่าสติประญานเหมือนกับวงล้อทั้งสี่วงอะใช่ไหมแต่ละวงวงไหนที่วงนอกสุดมันหมุนช้าใช่ไหมลรา พอมันทอดเฟื่องออกมาเราก็มาตัวนี้ให้ชัดพอเราดูตัวนี้ชัดตัวที่สองเข้าไปก็จะดูง่ายขึ้นพอเรามีทักษะดูทันในตัวที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการดูในส่วนกายเนี่ยดูให้ชัดๆเอาไว้ก่อนท่านจึงใช้คำประชานาติคัตชันโตติคัตชาวิติประชานาติเมื่อยือนอยู่ให้รู้ชัดๆว่ากําลังยือนอยู่นะนั้นบอกนั่นบอกว่าอย่างนั้นนะ ที่โตวาทีโตมหิติปตัจฉันทิเมื่อยือนอยู่ก็ให้รู้ชัดๆว่นนากําลังยือนอยู่นะนิสินโนวานิสโนมหิติปตัจฉันั่งอยู่ขณะนี้ก็รู้คําว่ารู้ชัดคื อ, อรู้ยังไงนี่ทีเงื่อนไขฮะโจทย์ว่ารู้ชัดคื อ, อรู้ยังไงคือรู้ซื่อๆรู้ซื่อหรู้ซื่อซื่อบืออย่างที่พูดไปตอนเชา้าคําว่ารู้ชัดเห็นลักษณะอยู่สามอาการ รู้ว่ามันกําลังเปลี่ยนแปลงรู้กำลังมีอาการของสุขของทุกข์ปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่รู้อยู่ขณะเนี้ยมันไม่ได้คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกรู้ชัดคือรู้อย่างนี้นะไม่ใช่รู้แบบซึ้บืู่นะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่ารู้ชัดใช่ไหมนั่นแหละเจ็บก็เห็นปวดก็เห็นสบายก็เห็นไม่สบายก็เห็น พอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยไอ้ความเป็นตัวตนของเรามันถูกลดความเข้มข้นลงผู้ครั้งที่เราเห็นเนี่ยคุพ่อเทียนเปรียบสมือนว่าสีในกระป๋องที่เข้มเนี่ยเมื่อเติมน้ำเปล่าลงไปทีละหยดทีละหยดทีละทุกวันทุกวันสีมันก็จะหายความเข้มข้นจะไปเขียนอะไรก็ไม่ติดเลยทีนี้ฉันใดก็ดีอุปทานของเราที่ไปสำคัญมา่หมายว่าเป็นเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนนั้นคนนี้นะพอเราใส่ตัวรู้ลงไปทุกวันทุกวัน เราไปเห็นสภาพความเป็นจริงของมันอ๋อจริงมันไอ้ความเป็นตัวเรามันไม่มีแต่เราไปคิดสำคัญผิดว่ามันมีจริงๆมันเป็นภาวะที่เกาะกลุ่มอาศัยกันเท่านั้นเองไหมไอ้ความสําคัญมันหมายของเราก็น้อยไปเมื่อก่อนในี่ใครมาด่ามาว่ามาแต่มาต้องมานี่ไม่ได้เราก็ขึ้นทันทีเลย้ยแต่หลังเมื่อรู้อย่างนี้ปับ๊บมันเกิม่มเฉยๆมาเมาื่อวานไอ้ลูกสาวของคุณ จิตรยาที่มารับแม่วันนี้เล่าให้ฟังเขาปฏิบัติเขาปฏิบัติกรรมมาไปปฏิบัติที่หอจะมหามาเหตุบ่อยมีอยู่วันหนึ่งเขาว่าผู้ชายคนหนึ่งคือมันไม่ชอบมันขมิ่นกันมานานแล้วนะทีนี้มันเดินมาจิตรนา ม, มาชน่ะชนเกิดลมม้มอเขาบอกหนูรู้ึกไม่รู้สึกเลยนะเออแค่นั้นเองเพราถ้าเป็นเมื่อก่อนมัได้ลุยกันเลยนะแต่อันนี้ความรู้สึกว่าจะลุยมันไม่มีเหาือนกันเฉย อ่าแสดงว่าอมันสติไวามากนี่คุณหนุ่มคุสาวอย่ากให้ปฏิบัติเพราะว่าสติเข้ามาไวถ้าเราเป็นแก่ขนาดนี้ปฏิบัติคราดนี้เป็นไงถูกชนเฉดแก่เ อ, อรู้จักคนแก่น้อยไปเลยอันเดียวขึ้นเลยะอลออปฏิบัติมานานแล้วไม่ได้มาถึงจุด น, นี้มันท้าทายมากใช่ไหมล่ะโอ้โหแสดงว่าคุณหนุ่มคุสาวเขาถ้าปฏิบัติตั้งใจนะไปได้ไว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 อาคุณวิวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์พัฒนากว่าเมื่อวานเยอะไหมดีขึ้นนะอ๋อชัดขึ้นเห็นการเคลื่อนไหวรอบนอกชัดนี่เขาเรียกเห็นรูปนามวงนอกสุดนี่เขาเรียกรูปนามวงในก็เข้าไป เ, าเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เข้าไปอีกแคนไหนเห็นนามรูปคือจิต เข้าไปอีกชั้นหนึ่งเห็นน้ำรุมๆรนคือเห็นธรรมมันเป็นชั้นเป็ชั้นไปเพราะฉะั้นถ้าถึงเน้นให้เห็นน้ำรูปเยอะก่อนเพราะฉะนั้นให้เห็นแต่ละชั้นแต่ละอวงเนี่ยให้ชัดเอาไว้ก่อนเผื่อเราไปดูอันต่อไปมันจะไม่หลงนะแต่เรารีบดูพรดพัดไปพัดไปพัดไปมาไปม า, ปมาอย่างเงี้ยบางทีมันหลงเพราะว่ายังไม่ชัดสักอันเลยวงนอกก็ไม่ชัดวงในก็ไม่ชัดใช่ไหมเพราะเรารีบว่าไงคุณ คืออารมณ์การเกิดดับของจิตและอารมณ์เราไปดูไม่ทันหรอกเพราะมันสูงมันไวเรามาดูแค่กายกับเวทนาเนี่ยพอเห็นดูสองวงนี้ชานาญแล้วข้างในมันจะไปเห็นอวันเองวงของจิตก็คือวงของความคิดวันนี้คุณคิดกี่ครั้งจำได้ไหมมีมีกี่เรื่องที่คิดวันนี้คุณวิจําจได้ไหม จะไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปเพราะมันหมุนไวมาเดี๋ยวเรื่องเข้ามาใชตลอดใช่ไหมมันไวจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเรานึกถึงภาพพยนตร์นนะแต่บางทีภาพยนตร์ที่เราไปดูฟิลม์มมจริงมันเป็นเฟรมใช่ไหมอย่างหนังเนี่ยเท่าไรยี่สิเฟรมต่อ1วิใช่ไหมแต่เป็นทีวีมันจะจะเป็นเท่าไรสามิหเฟรมต่อ1วิความเร็วมันจะสูงกว่า ในวิแนตะ่ทีเดียวนะ่ะนะพุทเดียวเนะี่ยแค่แค่ทายกมือพุดแค่นี้นะเอ า, าเวลาเอามาสรุปโมชันถึงจะรู้ถึงความถี่หยับๆยาของมันใช่ไหมหรือว่าเวลาคุณลิดเคยแข่งเคยแข่งกีฬามัม้ยเขาบอชนะกันเพียงปลายจมูกหมนยความว่าไงพึดธตัดสินไม่ได้อะแค่ปลายจมูกใช่ไหมกรรมการต้องทำไง เอาภาพมัรูปมัรีลานกันใหไว้ว่ามันปลายจมูกมันเกินกันไปกี่เซนนะไอ้ตรงนี้ให้คนชนะเอขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะความถี่ที่ขนาดวัตถุนะตายจับไว้แค่ทันที่นี่ความถี่ของนามาทำมันก็ยิ่งไปกว่า น, นั้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเห็นดวงนั้นต้องได้ดวงตายเห็นธรรมก่อนดังนั้นคนที่เห็นวงนอกสุดชัดเนี่ยพระุทธเจ้าบอกอได้ดวงตายเห็นธรรมคือเห็นวงที่หนึ่งโอกาสที่เห็นวงที่สองที่สามที่สี่เข้าไปถ้าจึงเป็นแต่งเป็นสี่วง เห็นวงนอกสุดเนี่ยได้ละความทุกข์ลดละยี่สห้าปอร์เซนต์ยูนามเลยนะสองไปเห็นเวทนาชัดได้ละอีกยี่สห้าเปอร์เซนตไปเห็นวงจิตชัดได้ถึงแปดสิบเปอร์เซนตไปเห็นอารมณ์ชัดหมดเลยทะลุหมดเลยเขาก็บริจาตเป็นพระโสดาสกินาคาพระหันยังไงก็บริจาตไปจากการเห็นแต่ น, นี้แหละอ่าเห็นรูปมันก็จะไม่สงสัยในรูปนะถ้าเห็นรูปยังสงสัยในรูปยังยังไม่เห็นนะ ถ้าเห็นเฉพาะวงนอกเนี่ยมันจะลดกิเลสได้ถึงสามตัวหนึ่งสำคัญมั่นหมายตัวเองไม่มีละพ่อเห็นว่าลูกมันไม่มีสองไม่สงสัยสิ่งที่บุญญาตัดสรู้สามไม่ยึดดื้อถือดีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนกูดีมืองดีใช่ไหมพอมาดูอย่างนี้ยมันไม่มีไอความดีความชัว่วที่เราไปยึดแท้แทไปคิดเอาแต่แท้เนี่ยมันจะลดกิเลสได้ถสามตัวอ่า เพรนั้นเองแต่ยังทัางนั้นกีโลบ ก, กุลงยังไมลดนะ<ม>ลด ก, กุลงยังเท่าเดิมนะแต่กีเดทสามตัวนี้ลดก่อนโลกกุลงอีกพอมาวงที่สองโลกกุหลงถึงจะลดลงอ่าวงที่สามโลกกุหลงเหลือเบาวางมากแต่วงที่สี่นี่เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องสํารวจทั้งสี่วงเนี่ยท่านมันจะเป็นเศรษฐีประธานสี่ไง สี่ันสีเพราะฉะนั้นเราก็ดูไปทีละวงระวงละวงดูไปเราก็เลยมานั่งทําเนี้ออกมาทุกบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้เห็นชัดอ่ะแต่เราใช้ลมหายใจในหูต้องคนระดับสติปัญญาขั้นอัจฉริยนะนัะถึงจะบรรลุได้มาว่านะระดับเราเรานี่มันไม่ใช่ระดับอชิยะเอาแค่เอาการเคลื่อนไหวแค่สติสัมปญญะเนี่ยก็เต็มแก่หรือเมือ่อนะขั้นแค่นี้นะ่ะ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 คือรู้ว่าอะไรมันใช่เพราะเรามีตัวเทียบเยอะใช่ไหมแต่คนสมัยนั้นสมัยก่อนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อท่านหลวงพ่อชาจะเกิดเนี่ยเขาไม่มีทั้งเรื่องอื่นหลองของปู่มั่นท่านก็ไม่ได้สอนเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนให ญ, ญ่ท่านก็อยู่กับป่ากับเขาหนะนาๆในออกประเทศทีหนึ่งแต่ลวกปู่ทั้งสามท่านมันจะสอนท่านเราสอนทุกวันน่ะ<ม>ใช่ไหมเพราะคนก็วัยขึ้นไงอันนี้สาเหตุนหนึ่งที่คนเข้าถึงธรรมะได้ได้ไวขึ้น หลวงปู่มัน่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่เทศนีทศ่ท่านก็อยู่วัดไขว้วัดมันถ้านไม่ได้ออกมาตะเวนแบบเนี้ยคนก็จะรู้ตามท่านได้น้อยมากคุณมะลีเป็นไงบ้างวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็องค์พ่อมองว่าคุณนิ่งขึ้นเยอะเลยนะ <laughs> ไม่ไม่ค่อยสะกะสายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณไปโน่นไปนี่มานี่แต่เดี๋ยวนี้นิ่งขึ้นเยอะเลยแนะสดงว่าเที่ยวนี้ แต่การทักท่วงตัวเองนี่มันยังเป็นสมถะอยู่นะ mm hmm. ถ้าตัวสภาวะนี่มันจะเขาเรียกว่าสัมผัสได้เลยอะ mm hmm. แต่นี่เราคอยเตือนตัวเองอยู่อารมณ์ธรรมดาเดินไปเรื่อก็เหาดูแต่ทมันไม่ได้มันไม่ได้ดูไม่ได้ดูทั้งหมดอะคือถ้ามันถามถามันก็จะสังเกตอ๋อนั่นเองคอยเตือนตัวนั้นนะเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวนี้ ถ้าเราไปตอกย้ำจุดใด จ, จุดหนึ่งเนะี่ยมันเป็นสมถะอยู่เราก็คือเนื่องจากความคิดเรามันเยอะต้องการผูกจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งให้ชัดเจนเน่นะแต่ถ้าเรากระจายไปทั้งหมดเดี๋ยวความคิดมันก็จะอ่าวงที่หนึ่งท่านให้ใช้ตัวสติก็ทันวงที่สองให้ใช้สัมปชัญญะวงที่สามให้ใช้สมาธิวงที่สี่ให้ใช้ปัญญานะถึงจะทัน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 คือตั้งใจเป็นพิเศษถ้าจะดูตัวนั้นนะ น, นะเวลาจะดูตัวคิดเนะี่ยต้องตั้งใจก่อนเข้าไปดูเลยไม่ได้ช อ, <laughs> ชอบแต่ไ <laughs> ม่ได้ไม่ได้เสพแต่ชอบ <laughs> <laughs> ยังไงไ <laughs> ม่ได้เสพแต่ชอบนะเนแต่ว่ามันเป็นความพอใจตามธรรมดาธรรมชาตินะนะ <laughs> เรียกว่าเวทนา <laughs> การรับรู้โดยธรรม <laughs> ก็คือจะมีมินมีอยู่ละ ตามตามที่เราปฏิบัติแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปแช่ถ้าไปแช่ดี่ถือว่าเสพนะแต่ถ้าไม่แช่รับรู้แล้วก็ผ่านนี่นะก็ถือว่าได้รู้สัมผัสก็ก็ทําให้มันรู้เลรยวขึ้นเท่านั้นเองรู้ก็ผ่านเพราะเราก็รู้สึกอะไรอะลักษณะทั่วไปของมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในจุดที่ความคิดถึงจะรู้ว่ามีเยอะอยู่แต่ก็อย่า ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนยังไม่ได้จัดการมันยังไม่ได้ใช่ไหมน่าจะบอกว่ารู้น้อยไปนะไม่ใช่ทําน้อยไปทําเยอะอยู่แต่รู้น้อยไปรู้จากกูน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยน้องเนี่ยรู้เยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะการทํามีตลอดเวลาแล้วเมื่อจะยืนอยู่เฉยๆก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคือมันมีความรู้สึกอยู่แล้วอ่ะไม่ได้รู้ในรูปแบบอ่าในรูปแบบเป็นส่วนใหญ่นะคุณเฉลิมชัยดีขึ้นไหมวันนี้ จะเริ่มเห็นเยอะขึ้นใช่ไหมอ๋อแต่วันนี้รู้สึกสงบขึ้นเยอะนะไม่ค่อยเปลี่ยนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนท่าบ่อยสกทีอะได้ผลนั่นเองสกใช้ได้ีเดีก็อันไหนก็ตามนะที่มันจะรู้สึกว่ามันตั้งมั่นสติได้อยู่ดีนะ ก, ก็หยิบเข้ามาประยุกต์ใช้คือที่เราทำเนี่ยเราไม่ไม่ใช่ประเภทคอนเซอร์เวทีฟนะคือหมายก็ว่าเราไม่ได้เอาตามเป๊ะที่เขาว่าวิ่งันอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อทําให้เกิดตัวรู้ชัดๆตัวสมาธิปัญญาชัดก็เอามาประยุกต์เข้าไปใช้เพเียงแต่เราไม่เตลิดเออเขาว่าแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะคราวไปมันผ่านไปเพราะปัญหาผ่านได้ไวไอ้ตัวรู้จะกลับมาเร็วเพราะตัวรู้ที่มันถูกบดบังก็ด้วยนิวรณต่างๆ มื่มีนิวอณ์แล้วเราอาศัยอุบายอะไนึ่เข้ามาแก้ให้นิวอนนั้นผ่านไปก็ถือว่าใช้ได้บางครั้งเพื่อจะนอกรูปแบบบ้างก็ไม่เป็นไรคุณนุชเป็นไงบ้างวันนี้อ๋อเออนี่หพ่ อ, อยังไม่ได้ให้น้ํามันคุณเลยใช่ไหมให้แล้วแล้วคุณัำไม่ไม่ท า, านอ๋อแรงนะ แล้วดีขึ้นไหมอ่านี่ผมพอได้โฆษณาอีกแล้วนี่โฆษาทุกวันวนี้เขาให้ใช้ในวันฟรีก็บอกเออก็อันไหนที่มันช่วยในแง่ของรูปโลกนะออก็จะช่วยอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราเอาแก้ไขได้ก็คนจะแก้ไข ไม่ปล่อยให้เป็นวิบากที่มันถ้าปล่อยเอาไว้เป็นวิบากเนี่ยมันมันก็แก่ขึ้นเรื่อยๆพอมันเสื่อมตลอดใช่ไหมดังนั้นเราก็ย้ำความเสื่อมมันไว้บ้างก็คือใจควรใจใส่อยกสยาก็ใส่ไปในการเราจะได้ให้ใช้ท่าใช้ขันนี้ปกติเป็นนานๆแต่ความผิดน้อยลงใช่ไห ม, มแต่ว่าในตัวเวทนาในกายที่เป็นความปวดความเมื่อยยาตัวนี้นช่วยได้ไหม อ๋ออีกช็อตหนึ่งแล้วนี่นะคุณแรงๆนะครับอ่าอ่าวันนี้เลยให้จันประพัดไปขวดหนึ่งเพราะปวดเข่านั่งไม่ได้นาน<อ>ก็ใช้ได้ น, น้ำมันตัวนี้นะเพราะหลวงพ่อไปตั้งชื่อน้ำมันนพเก้าพอไปจุดลิขสิตบ อ, อกว่านพเก้าไม่ได้เป็นชื่อไทยต้องชื่อฝรั่งนหน่อยเขาเลยตั้งน้ำมันเก้าอย่างก็เลย่องไนย อ, อยไปเลยเนี่ยเอ็นน้ำมันไออนโอลฮะบริษัทไท ไม่สัจ น, นัยออยพราตั้งโนปเก้าไม่เวิร์กเป็นภาษาไทยคุณสุขศีเป็นไงบ้างวันนี้แต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี้บุทก็หายใช่ไหมอ๋อก็ถือว่าปวดในตร ล, ลักษณ์ไม่เป็นไรเพราะมันเกิดแล้วก็หายแต่วปวดประเภทที่เปลี่ยนยังไงก็ไม่หายนั่นปวดปรักลักษณะที่เป็นเป็นผลวิบากนะแต่ลักษณะที่เป็นไตร ล, ลักษณ์นี้มัยากอย่างเดียวขยันเปลี่ยนบาหน่อยคุณต้องขยันเปลี่ย น, นอิีุบุทหน่อยแสดงว่า ยังไม่ขยันเท่าไหร่นะขี้เกียจไปหน่อยไอ <laughs> ้ตัวตัวตัวขยนันปฏิบัติคือตัวขยันปรบับแต่ทาเยอะๆแต่ไม่ขยันปรบับถือว่าขี้เกียจนะเออที่ขี้เกียจเพราะตัวปรับแต่ละครั้งตัวรู้มันเกิดใช่ไหมตัวรู้มรมตื่นตัวน่ะขยันตื่นไม่ใช่ขยันทำขยันตื่นด้วยเมื่อวานผมห์จำคุณสมจิตกับคุณนิตยาสลับกัน ใช่ไหมคุณนิตยาเออนี่คุณจำสลักว่าคุณสมฉิตอดีขึ้นไหมคุณนิตยาวันนี้เมื่อวานนี้รู้สึกเกร็งอยู่นะวันนี้น่าจะคลายไหมอ่อเย็นน้มันไี่หลงพอให้คุณไปหรือเปล่าวันอ๋อเหรอเราอานุมันไปเหลือไม่มากแล้วนะเ่อไปต้องขายนะวันนี้โฆษณาไปก่อน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 มันจะได้ไม่เครียดง่ายก็คิดว่าหมดเวลาแล้วนะพรุนี้ค่อยต่อกันเพราะเราจะได้นอนหลับไปขึ้นพรุนี้มาตื่นเนชา้าแตบผลต้องการตื่นมาเช้านี่ดีกว่านอนดึกนะเพราะมันได้หลับลึกเพราะได้หลับลึกเพราะนนอนไม่นานาอตื่นมาก็ชื่นได้ทัง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 อันนี้เมื่อเราได้หลับช่วงนี้เต็มที่แล้วเนี่ยพอแต่คุณหลีดไม่รู้ว่าไปสั่งสมความง่วงมาแด่ไหนไม่ชื่นทีหนึ่งเนยฮะันหลับในเลยมันเลยฝันเลยแสดงแสดงว่าอยู่บ้านนนเล่นเด็ดดึกมากเลยมันก็ได้นอนเต็มที่เลยเวลาก็คือทำไปเหมือนดูตื่นเี่ยแต่ข้างในมันหลับ ไม่มีใครรู้รว่าหลับลว่ะงั้นเราก็เลื่อนหลับไปไหนเราแบลบลุมตาก็โอเคเนาะหมดเวลาเนาะหมดวันนาย น, นั่ทุเราจะได้ไปพักกัน